ดีวังเมืองกาสีเขาชมเชิพระพองค์ท่านผ่องใสนะักท่านเป็นใครหรือเมืงูผู้เจ้าบอกเขาตรงๆต่อสภาวะจริงๆว่าให้จำนั้นว่าคือพุทธผู้ตื่นแลงอาชวะกันนั้นแลบลิ้นหลอกแล้วก็งื่อนงำเงี้นมาว่าเชินเป็นเลยพอนะพ่อวังหันบาลีคึกพูดแดกดันว่าเชินเป็นได้ฟอนะแล้วเขาก็หนีไปเลยครับ เดินหีไการสอนขั้งแรกโดยปราจากธรรมมัญญิปราจากสมมติปราจากการแจกแจงเรื่องขันห้าตรายลักษ์ฝ่ายการแจกแจงให้สมมติพอที่เป็นใดต่เต้าไปเข้าใจสิ่งที่ลุ่มลึกเกินสมมตินั้นยังไม่มีครับแต่ผมต้งกล่าวไม่ใช่จ้วงจ่าพระองค์ท่านนะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งพระเจ้าสอนคนไม่สําเร็จตั้งมากโดยเฉพาะพระญาตของท่านเทวทัต ก็หลายหลายคนด้วยครับพอทั้งหมดนั้นมันไม่ขึ้นในคําสอนของท่านลองทบทวนอีกทีนะครับว่าคําสอนคําตรัสที่บ่งว่าเราเป็นทาสของกรรมเราได้ยินจนคุ้นหูนะครับผู้เจ้านั้นทรงพูดได้ว่าทรงแอนตี้ความคิดของระบบความคิดของครามณเนี่ยป็นนั้นมากโดยเฉพาะในเรื่องของ ความคิดที่ตั้งฐานอยู่บนระบบวันนะเมืท่านสอนว่ามนุษย์เป็นทายาทถุงกรรมหมาความไม่ได้เป็นทายาททางวันนะ <c oughs> พรฆามมีลูกก็เป็นพรฆามณ์อีกสูตรมีลูกก็เป็นสูตรอีกเคยเหมือนกับว่าพูดว่าเคยทำนามีลูกก็ต้องทำนาต่อไปลาก็ว่าอาชีพเหล่านั้นถูกบ่งจากระบบวันนะผู้สอนคือพรฆาม์ ลูกของพรามเมื่อถึงวาระหนึ่งในสมสายยันโยปวีททำพิธีทับนาขึ้นเป็นพรามและพรามก็สอนเจอะและพระองค์ท่านสอนจงข้ามมาเปลียประดุจแม่น้ำสี่สายมีชื่อแตกต่างกันมีต้นกำเนิดแตกต่างกันแต่พอไหลไปรวมบันเลแล้วชื่อว่าน้ำสมมติต่างๆหมดสิ้นไปบุคคลที่มาจากวาระทั้งสี่ เมื่อเข้ามาบวชเรียนศรัทธาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกเริมเพิกถอนคว า, ามยึดถือในระบบวัณนะนั้นนั่นจัดว่ามนุษย์เป็นทายาทแ่งกรรมเม่อความผลรวมของคว า, ามเป็นเราในขณะนี้ที่มีคว า, ามตึงเครียดหรือมีจิตใจอ่อนโยนหรือกระด้างหรือดีหรือชั่วหรือหนักหรือเบา ยาบหรือประนีวเราพบว่าคนเหมือนกันครับทั้งๆเป็นคนเท่ากันแต่บางคนเราเห็นไนดะ้ชับวิธีคิดของเขาก็ลุ่มลึกทุงท่ า, าขเขาหนุนนวนวิธีกายกรรมวรรจกรรมของเขานะครับหรือมโนโกรรมขเขาผิดแผกกับคนอื่นทั้งวันนี้เป็นการสะสมของวิบากแล้ววิบากกรรม น, นั้นสําเร็จรูปมาเป็นตัวตนหนึนคนหนึ่งหนึ่งแล้ววิบากกรรม น, นั้นนะครับกําลังจะท่องสํารวจชีวิต วิบากกรรมกลุ่มก้อนนั้นนะครับกําลังดูภาพยนตร์กำลังดูศิลปวัตถุในแกลเลอรี่กําลังนั่งดูลูกน้อยที่คลานต้มเท่บนพื้นโดยอํานาจของวิบากนั้นที่มองไปเพราะดังนั้นสิ่งที่ถูกแรงเห็นเนี่ยถูกครอบงําจากวิบากกรรมนั้นผู้มองใช้กลวิธีใดก็คุ้นเคยกลวิธีนั้นจนการมองนั้นผิดเพี้ยนไปจากการประสบพบ อย่างบริสุทธิ์ฝึกสองนั้นเราเกิดข้ออิภาควิจารณามากมายในการมองดังผมเคยยกตัวอย่างบอกนะครับแก้วน้ําจะใหญ่หรือเล็กมันขึ้นกับวิบากกรรมผู้มองตัวแก้วน้ํานั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กเขาเป็นเขาเท่าเดิมจะเรียกว่าใหญ่ก็เรียกไม่ได้เรียกว่าเล็กก็ไม่ได้ถ้าเราเห็นเป็นเล็กก็แสดงเราติดแน่นกับรูปทรงของแก้วที่ใหญ่แล้วคุ้นเคยแล้วเราสรุปว่าอันนั้นเป็นอัตตา ของแก้วหรือของเราเพราะฉะนั้นแก้วที่อยู่ข้างหน้าผิดแปกขนาดสูบหรือเล็กลงก็เนื่องจากเรายึดถือความใหญ่ไว้ดัะนั้นเวลาเรามองไปสู่สังคมกด็ดีหรือมนุษย์ในสังคมหรือเพื่อนมนุษย์กด็ดีการเห็นของเราเป็นตัวปัญหาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการย้าแย่ของความคิดปรุงแต่งการท่องตำรวจชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าที่เรา ประสบความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราเปลี่ยนใจจากคนที่ทำผิดอย่างรุนแรงอาจจะผิดหนักขึ้นอีกเพราะความดื้อรั้นของเราเองซึ่งเป็นวิบากเก่าหรือทั้งหมดคนที่อ่อนโยนอาจจะสารภาพผิดแต่แล้วก็ทำผิดอีกจนได้มุอนข้าย่างของเราเป็นเข้าย่างซึ่งถลากถลายออกจากทิศทางที่ดีที่เป็นกลาง เพราะราถูกกระทำแลวเราเป็นผู้กระทาเพื่อให้เกิดการถูกกระทำนั้นด้วยในสุดเราะว่าถ้าไม่มีหลักการแล้วเราไม่มีทางเลยครับที่จะรู้สึกถึงสมดุลหรือสิ่งดีๆได้หลักเป็นสิ่งสาคัญยิ่งครับ้วยเหตุนั้นโอวาทปาติโม่จึงเป็นหลักกว้างๆแล้วหลักกว้างนั้นเองครับช่วยเราได้มากกว่าหลักรายละเอียดที แต่ว่าเราได้ยินครูบาอาจารย์สอนเรื่องการเข้าฌานยกจิตระดับนั้นนี่เป็นหลักที่ละเอียดมากครับแต่จริงเวลาเราเพี้ยงพร้อมข่าวสติแล้วขาดหลักที่กว้างเราขาดความเข้าใจกว้างๆนั่นเองเช่นไปพลั้งเผลอกระทาความชั่วครั้งแล้วครั้งเล่าโดยหารู้ว่าพระเจ้าทรงห้ามด้วยหลักกว้างๆว่าอย่าทำบางทีเช่นเข้าใจมนุษย์ดีว่ามนุษย์พลั้งพลาดได้ท่านบอกว่าเมื่อทําบาปก็อย่าทำบ่อย อย่าทําบาปให้บ่อยท่านว่าอย่างนี้นะฮะแล้ว้อที่จริงแล้วมนุษย์เราเปที่ยอมรับมนุษย์ผิดพลาดได้ครับแล้วมนุษย์เรานั้นเรียนรู้ได้ดีมากในความผิดพลาดและล้มเหลวยี่สปีก่อนทุกใครดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับอลิซเบธเฮเลอร์เป็นนางเอกเล่าทวนความหลังคนอายุปูนผมคงคุ้นค้นดีตัวนางเอกเขาก็หลงรักพระเอกซึ่งเป็นคนที่หญิงยโสแต่มีฝีมือในทางแวลลินมาก ก็หนีตามไปอยู่กันที่ปารีสเพื่อให้พระเอกได้เรียนต่อพ่อซึ่งเป็นคุณเจนจับเป็นคนที่เจนจัดแต่ชีวิตแค่เห็นว่าที่ลูกเขยก็รู้ว่าคนนี้มันโลเลมากแล้วลูกเขาไม่สมควรที่จะไปอยู่กินและให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็โกรธแล้วก็กห้ามตอนที่สุดลูกสาวก็ดือ้อทำตามหัวใจปรารถนาตในช่วงสั้นนิดเดียวครับคําพยากรณ์ของพ่อก็ประจับกระตัวว่าพ่อพูดถูก ต่เขารู้สึกเสียใจและละอายก็สมสารกลับมาเพื่อขอมาต่อบอิดาที่ไม่เชื่อฟังพ่อได้แสดงความผู้รู้เข้าไปโอกไหลแล้วบอกว่าเขารู้อยู่แล้วลนั้นเขามาติ้ถือสาแล้วเขาก็ปลอบด้วยประโยคซึ่งยี่สวปีผมลืมไม่ลงครับพ่อปลอบว่าลูกเออมนุษย์เราเรียนรู้ที่ไหนไม่ได้หรอกนอกในนอกจากในความผิดพลาดการเรียนจริงๆมันต้องล้มก่อน แล้วมันจึงจะรู้ว่าล้มเพราะอะไรทีเดียครับมันจะลุกขึ้นแล้วก็ค่อยปรับตัวลูกศรทุกตัวครับมันจะพอคลอดออกมามันจะยกลุกขึ้นยืนตรงไม่ได้มันลุกเคลื่อนเข่า ล, ล้มตึงครั้งที่สองก็ลุกอีกแล้วก็มันเริ่มเรียนรู้ศิลปะการทรงตัวในสุดมันก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลของธรรมชาติได้ เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งนะครับว่าในท่างกลางของสภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผมหมายนมนุษย์มีส่วนเข้าไปกระตุ้นระบบคุณค่าหรือวิถีชีวิตให้มันเร็วขึ้นนี้เองที่ทำให้เราปรับตัวยากดังนั้นความสับสนเข้ามาเยี่ยมเยียนเราง่ายและบ่อยและถ้าเราไม่รู้จักที่ชาระล้างมัน มันก็จะหมักหมมก่อตัวขึ้นและในสุดสิ่งนั้นก็กลายเป็นฐานที่จะมองโลกและจะเกิดการผิดปกติผิดเพี้ยนไปมากยิ่งขึ้นทุกสีดังนั้นเองนะครับคําแนะนําของพระเจ้าก็ดีไม่ว่าในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ดีนันมีค่าและมีความหมายสูงไม่ใช่สักเป็นตัวหนังสือเช่นศีล ถ้าคนนี้ไม่เคยทดลองรักษาศีลอย่างเคร่งครัด น, นะครับจะไม่เข้าใจพลนุภาพของมันคือพลังของศีลซ่อนอยู่เบื้องหลังการรักษาไ ม, ไม่ว่าจะรักษาทางกายทางวาจาหรือทางใจนะครับเราจะพูดข้ามขั้นตอนไปก็ย่อมได้ครับเช่นอาจารย์บางท่านบอกว่าศีนอยู่ที่ใจก็ถูกครับแต่ว่าใจมันโกหกตัวเองได้ครับดังนั้นเราควรจะพูดจากหลักคือรากฐาน ประสบการณ์ในการรักษาสีนั้นทําให้บุคคลมีความสุขเป็นเบื้องต้นครับเพราะได้รู้สึกกับตัวเองไม่ได้ทําผิดอะไรดันั้นจิตจะฟื้นฟูสมรรถนะซึ่งซึ่งถูกแว่ล้อมให้สุดถอยอย่างง่ายได้ครับอาศัยความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรหลายคนปลอบตัวเองเมื่อคราวที่ต้องทําภารกิจนะหรือสิ่งที่นาหวาดเสียวเช่นการเดินในฝ่าฟา้ามืด เข า, าคิดว่าเรามีศีลเทวดาย่อมคุมค้มครองผีสารสัตว์ร้ายไม่ทำร้ายเราแน่นี่กำลังใจก็เริ่มเกิดจริงพิจารณโทอนก็ได้นะถ้าเป็นบัติเหตุหรืออะไรก็ตามใจนะครับดังนั้นศีลจะช่วยเรารู้สึกการฟื้น ฟ, น ฟ, นฟนูกำลังใจขึ้นจะโปรดผมให้ข้อสังเกตนะครับว่าการรักษาศีลกับการคลั่งคล้ายหลงศีลคนละตัวครับ คนรักษาศีลเพื่อตัวเองผู้วิเศษนี่นี่ไม่ใช่ศีลครับเป็นอุปาทานศีลที่ดีพินัยนนที่ที่สัมพันธ์กับความอยู่รอดปลอดภัยของผู้อื่นเช่นการไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยคําพูดการไม่ใช้คําพูดโดยไม่อย่างรู้เสียก่อนว่าคําพูดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์รู้สึกของผู้อื่นเพรดังนั้นศีลทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องความรักต่อสัพพชีวิตครับ มีการอย่างรู้มีการทะนุถนอมว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ยทําให้เขาเสียกำลังใจถดถอยทําลายหัวใจเขาเหรือเปล่าดังนั้นศีลเช่นนี้เป็นปัญญา เ, เพราะมัเริ่มต้นในการอย่างรู้อาจจะยังรู้พลาดแต่ว่าด้วยการอย่างรู้นี่ยเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งคลายเป็ญยาณที่อย่างรู้เองสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันนั่นก็ได้ เป็นการอย่างรู้ต่อโลกซึ่งบริสุทธิ์ตราศจากการขนานนามนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแม้ว่าเปิดเผยยิ่เบื้องหน้าแต่เราไม่อาจเห็นมันได้เพราะาเราติดคิดตลอดเวลาสิ่เราปรุงแต่งเพื่อด้ภาษาและดูเหมือนว่าภาษานั้นเองครับเป็นอาวุธซึ่งทรงประสิทธิภาพที่สุดที่มนุษย์เราได้ประดิษฐ์ขึ้นภาษาทํำไมเราลองเรียก แยกคนนายกจากนายขอแยกต้นฟาร์มออกจากต้นสนและภาษานี่เองก็ก็อยแจกออกจงกระทั่งเราลองเรียกทุกสิ่งทุกอย่างได้ช่องว่างอวกาศด้วยตาข่ายเน็ตเวิร์กของภาษานี้เองเน็ตเวิร์กที่เราน้ยามไว้เราก็สามารถนํามาคิดปรุงแต่งขึ้นแล้วก็คาดการณ์ไข้างห น, น้าดูมือนว่เผ่าพันธุ์มนุษย์จเจริญขึ้นอย่างน่าประหลาด แยกตัวจากเผ่าพันธุ์สัตว์ก็ตรงนี้ครับตรงที่มนุษย์มีพลังจิตจินตนาการกว้างไกลแต่พร้อมๆนั้นบางสิ่งปรากฏขึ้นอย่างน่าทึ่งตรงที่ว่าในท่ากลางของพลังนาตของสมองในการสร้างจินตนาการสร้างแบบจำลองขึ้นฝึกคิดนึกนั้นความทุกข์ทรมานก็ย่างกลายข้นมาในเผ่าพันธุ์มนุษย์เกินกว่าเผ่าพันธุ์สัตว์อื่น เราทำไมค่อยเห็นนกกระจอกหรือแมวเศร้าเสียใจหรือแสดงอาการทุรนทุรายทางอารมณ์เช่นน้อยใจคนแต่เราพบว่ามนุษย์เรามีปัญหามากทางด้านอารมณ์เพราะเรามีจินตนาการในทุกวันนี้นะครับจินตนาการสองรูปแบบกำลังต่อสู้กันอยู่แล้วก็ก็เกิดทั้งคุณโทษ ต, ต่อประชุมชน เราสมทนาคนบางคนเราพบว่าเขาเชื่อมั่นในจินตนาการบนฐานของพลังทางธุรกิจเราไปถามนายแบงค์ดูเขาจะแสดงความเชื่อมั่นจินตนาการเขาตั้งฐานบนความเชื่อบนวิธีการทางธุรกิจที่จะช่วยสังคมหรือแก้ไขปัญหาผมคิดว่าจินการเช่นนี้นะว่าเป็นเรื่อันตรายยิ่งครับรอีกเภศหนึ่งเราจะพบว่าคนบางเพศโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับ จินตนการเขาตั้งไม่เพียงตั้งฐานมีบนความเชื่อมั่นทางธุรกิจและวิธีการทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ตั้งฐานนีบนความอาทรในเพื่อมนุษย์ความรักอิสรภาพการปกป้องโลกภิพบพให้อยู่รอดปลอดภยัย mm hmm. เขาเชื่อมั่นในความรักด้วย mm hmm. สองจินตนการนี้นะครับที่กำลังเป็นไปอยู่โดยประการหลังนั้นนะว่ามีคุณมากครับ ความหวังอยู่ในคนกลุ่มน้อยนิดเดียวซึ่งเป็นผู้สร้างสันติภาพเมื่อที่สมองได้หมุนไปสู่ความเอื้ออาทรความรักต่อสิ่งสภาพแวดล้อมก็ตามนะครับมือ น, นั้นศาสนธรรมได้เติบโตขึ้นอย่าคิดว่าศาสนาคือเรื่องงโบทเรื่องการบวชดังผมเกล่นไว้แล้วนะครับที่จริงคือเรื่องจิตสำนึกลองทบทวนดูขนบประเพณีการบวชนะครับ ผมเชื่มั่นว่าวันที่พระเจ้าวางระเบียบของการบวชนั้นท่านต้องมีหลักท่านคงไม่นึกหาวิธีอะไรพิเลนพิเลนเลยให้คนบวชกวนหัวหอมผ้าเหลืองเล่นมันคงไม่ใช่อย่างนั้นแน่ครับแล้วข้อแท้จริงแล้วเนี่ยในช่วงต้นของชีวิตช่วงชีวิตหลังตรัสรูแล้วที่เรียกว่าปฐมโพธิการนั้นมีกุลบุตรกฤิดาติดตามออกติดตามรงท่านมากยังไม่มีธรรมเนียมการบวช ประเพณีการบวชเพิ่งถูกสร้างขึ้นทีหลังโดยเฉพาะเรารู้ในพุทธวัติพระยศกุลบุตรเนี่ยเป็นอรหันต์ก่อนบวชครับดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงประทานการบวชนั้นมีถ้อยคําไม่เหมือนกับประทานการบวชคนอื่นไม่มีคํำว่าเธอจะมาทําที่สุดทุกโดยชอบเธอเพราะท่านถึงที่สุดทุกแล้วครับทั้งๆยังไม่ได้บวชพระเจ้าเพียงชวนมา เธอจงมาเป็นภิกษุเธอเท่านี้เองครับปัจจุบันนี้เรามีโบสถ์มีวัดนะครับมีความเข้าใจผิดกันมากในหมู่ชาวพุทธผมต้องขออภัยเรื่องพวกทั้งพระทั้งโยมเข้าใจไม่ครบถ้วนเช่นคิดว่าอุปชาเป็นผู้บวชให้กุลบุตรส่วนใหญ่เราคิดอย่างนั้นครับจริงนี่นไม่ถูกเลยอุปชาเป็นเพียงผู้คำประกันเท่านั้นเอง การบวชนั้นต้องบวชโดยสงฆ์เท่านั้นสงฆ์บวชให้ครับแล้วถ้ามูสงฆ์ค้านเสียงเดียวนี้บวชไม่ได้เลยดูชั้นธรรมะตีนี้นะครับว่าพุทธศาสนาเครื่องคัดเพียงใดในการกันกรองเพราะการกันกรองนั้นคือการรักษาล่างทั้งหมดของพุทธศาสนาไว้ได้ล่างในนี้ผมหมายถึงบอดี้ น, Body นะครับไม่ไม่ใช่ร่างกายหมายโครงสร้างทั้งหมดหถูกกันกรองเป็นปฐม น้องแต่การเตรียมคนเช่นคนวัดสี่เดือนต้องมาอยู่วัดทดสอบน้ําใจกันสี่เดือนแล้มีเตรียมสามเณรสามเณรแปลว่าหน่อเนืสมเณรไม่ใช่ลูกนะแปลว่าการเตรียมคนเพื่อจะขึ้นมาเป็นพระสามเนณะที่จะค้าจุนจันลงพระพุทธศาสนาในวันหน้านี่สำคัญมากนะในขั้อดีตการเตรียมนี้ผิดพลาดบ้างเช่นเอเด็กเล็กมาเกินไปตกดึกหิวลองตะโกนอยากกินกะต้มกะต้ม ต, ต้องบอกเลิก และกำหนดใหม่เพื่อให้เหมาะสมแสดง ว, ว่ามีการเตรียมคนอย่างรัดกุมพิธีกรรมบอกถึงฟิโลโซฟี่เบื้องหลังครับดังที่ผมบอกแล้วว่าการบวชคือการสร้างสํานึกในวินาทีแรกที่ก้มลงกราบพระสงฆ์ถ้าไม่มีสิ่งนี้การบวชล้มเหลวแล้วครับนับแต่การเปล่งถึงไตรไตรสน า, าคมสามหนสองหนไม่ได้ครับ แล้วเวลาสึกก็เหมือนกันดังนั้นทั้งบวชทั้งสึกเนี่ยเต็มไปด้วยสติความรู้ตัวว่าตัวเองกาลังประกอบกรรมอะไรอยู่เพราะถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือไม่มีเมล็ดพันธุ์ของการรู้แจ้งจึงไม่ยอมบวชให้คนที่พิกลพิการหรือเป็นบ้าเสียจริตบวชไม่ได้ครับถ้าบวชแล้วเขาปรับอาบัติสงทั้งหมดที่บวชให้ด้วยรวมทั้งอุปชาด้วยครับ เมื่อเราสำรวจเชนนี้แล้วเราเพบว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงพระเมตตาของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องท่านมองโลกแล้วก็มองด้วยสายตาที่อุ้มชูเกื้อกูลแก่ประชาชนในวันหน้าพฤติกรรมขององค์ท่านนั้นนะว่าเป็นที่รู้ประจักษ์กันว่าหามนุษย์ในโลกนี้ทัดเทียมได้ยาก ทั้งปัญญาและความเคารพในสิทธิมนุษยชนนักปราชญ์ทางทวาตกนั้นสันเสริมมากในพระสูตรที่เรียกว่าการามสูตรครับที่ปฏิเสธการเชื่อคล้อยตามคำขีบบ้างจนในที่สุดแม้แต่ว่าคล้อยตามคำครูแสดงถึงความเคารพมนุษย์อย่างล้นเหลือของพระองค์ท่าน ว่ข้อที่มตั้งไว้นะครับคือการท่องสารวจชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดครับตรงที่ว่ า, าเราสารวจเฉพาะพระไตรปิฎกเราจะพบแต่ตัวหนังสือและค่าสมมติ่เราจะเรียนจบพระไตรปิฎกสามเที่ยวสี่เที่ยวแต่เราไม่ได้ท่องสารวจตัวชีวิตจิตใจและอารมณ์นั้นเป็นที่รู้กันนะครับพระพุทธองค์เองทรงตรัสว่า สำหรับผู้เจริญนิพพานาช่วรัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือในหมายถัง้งขอโทษนะฮะลัดนิ้วเกิจากนิ้วนี้มือนี้ดีดนิ้วมือช่วยเซี่ย ว, ว, ย ว, วนาทีเดียวนะครับคนเจริญนิพพานนาช่วเซี่ย ว, วนาทีเดียวนะั้นมีอานิสงส์สูงกว่าเชิญพระอรหันต์ทั้งโลกมาแล้วถวายสังฆทานอีกครับแล้วก็มีอานิสงส์มากถึงขนาดอาจารย์ลนหลง ถูกเป็นประโยช์เพิ่มเติมว่าเจริญปิัพสนาชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นมีอานิสงสูงมากเ่าวันอย่างนั้นไหมครับคำพูดเหล่านี้นี่กช่คำพูดล้ดลอเล่นครับเพราะการท่องํำรวจชีวิตเมื่อราตั้งสติรู้ตัวเข้าไปและสังเกตครับการท่องํำรวจนั้นไม่ได้หมายว่าํารวจเพื่อหยุดพักเป็นหลักแหล่งแต่ํำรวจผ่านเมือนั้นในขณะที่จิตคิด ในขณะีความคิดหนึ่งปรากฏขึ้นนันนะครับถ้าเราอะไรเห็นมันได้นั้นคือการเจริญปัสนาแล้วการเจริญปัสนานั่นเองที่ทำคนธรรมดานะครับให้เป็นพระเพราะว่าหัวใจขอการบวชอยู่ตรงการมีสติตั้งแต่รูปแบบการทดสอบสติสมสัญญะจนสติความรู้ตัวนั้นงอกงามจนเป็นพุท ธ, ธะนั้นฟิโลโสฟีการบวชก็ดีเลยถ้าเราปรับสิ่งนี้เข้ามาสู่ ชีวิตประจำวันของกระดูกหัซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสมีบุญนะครับไ้สืบศาสนาโดยสูงเครื่องแบบแต่สิ่งที่แน่ที่สุดว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงแนะนำนั้นมีประโยชน์กับทุกคนทุกวันดังเห็นได้จากกระนกธรรมเนียมที่เด็กๆจะต้องร้องรำพุทธมามกะนะครับพุทธมามกะแล้วพระพุทธเจ้าเป็นของหนูคํานื่ครับแล้วพระเจ้าเป็นของผม คือสอนให้ยึดถือแต่ให้หยึดซื้อในสิ่งที่จะนำเข้าไปสู่การคลายความยึดติดในกิเลสในตัณหาในโลกซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานถ้าสมมติเราเกิดความรู้สึกน้อยใจขึ้นมาว่าเราไม่มีโอกาสได้บวชเพราะเราเป็นสตรีหรือเราบวชตามธรรมเนียมแค่สามเดือนแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นพระอีก หรือบังเอิญเราไปอ่อานหนังสือการต่อสู้ของพระสงฆ์ครั้งอดีตครั้งที่ประเทศลังกาหรือที่เรียกลังกาทวีปเกือบจะล่มจมทั้งการเมืองและศาสนธรรมพระภิกษุที่เรียกว่าสาบาลีวงนะครับของไทยได้สร้างวีรกรรมหน้าหน้าอนโมทนาอย่างยิ่งยวดพระสงฆ์นั้นไปตายจี่นว่นหลายรูปแต่ได้ฟื้นพระศาสนาในลังกาขึ้นอย่างน่านิยมชม ช, มชื่นจนตราบเท่าทุกวันนี้ พภิกษุที่ไปจากประเทศไทยพอเอ่ยชื่อสยามโวงแล้วเนี่ยเขาจะนั่งแถวหน้าเลยครับปกติพระธนทัศ์พระคิ้วแก้วนั้นเขาไม่ให้คนเข้าใกล้แต่ถ้าพระสยามวงเขาให้ยืนชิดเลยเนะ่เพราะว่าครั้งหนึ่งวิธกรรมของพระสงฆ์ได้กอบกูก้พุทธศาสนาขึ้นของพระสงฆ์ไทยนะครับประสานกับพระสงฆ์ลังกาที่หลงเหลืออยู่บ้างนะครับ เราอ่านหนังสือเชนนี้เราอาจจะน้อยใจพ่าเราไม่มีโอกาสได้ร่วมทางร่วมกระทาวีรกรรมมั น, นั้นแต่ความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนี้จะจบสิ้นลงทันทีเมื่อเราจเจริญวิปัสสนาในขณะที่เราดูจิตท่องสํารวจเข้าไปวาความคิดเกิดเรารู้เราเห็นหัวใจเต้นเราสัมผัสได้ตากระพริบเรารู้สึกทําอย่างนี้ครับเรากําลังร่วมกระทําวีรกรรมกับสาวกของพระเจ้า เพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่อาจตั้งอยู่ได้รูปแบบด้วยรูปแบบโดยประการเดียวครับเป็นที่ประจักษ์กันว่าการปฏิบัติธรรมนั้นนะครับการปฏิบัติเท่านั้นที่ฟื้นแก่นสารสาระของพุทธศาสนาขึ้นมาได้โดยการท่องคำลาต่อให้ทรงจำพระจวีดกได้45เล่มครับไม่เชื่อว่าพุทธศาสนาฟื้นได้ครับแล้วความพยายามที่ ท่องจำพระไตรปิฎกเหล่านี้หมดความจะเป็นลงแล้วครับในทุกวันนี้เพราะคอมพิวเตอร์ทำมันที่แทนได้แต่ทำคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติแทนได้ครับและในการบวชก็เหมือนกันไม่อาจมอบอำนาจให้คนอื่นบวชแทนได้ครับในะเรื่องอื่นที่เราทำได้เย็นใบเอ่านาจไปบวชเพราะว่าสิ่งที่อุปชานามานั้นไม่ใช่เจ้านาคือหัวใจ ที่เปี่ยมสำนึกแล้วจะเข้าสู่ศาสนาอุปชาได้นำจิต ด, ดวงนั้นมาเป็นสักขีพยาณให้ว่าตามที่ทดสอบแล้วเนี่ยขอให้สงฆ์เอนดูพิจารณาด้วยให้พิจารณาเข้ามุมแต่เพราะจะได้เป็นผู้สืบทอดพระศาสนาครับที่จริงนั้นคำสอนในเรื่องสติปัฏฐานสีปในการแจกเข้าสู่รายละเอียดค่อนข้างมาก มีทั้งสี่ฐานนะครับฐานทั้งสี่นั้นเป็นที่ตั้งของการพัฒนาให้สติเข้มข้นขึ้นตามลำดับและสติปัฏฐานนั่นเองที่ถูกปรับตกแต่งใหม่ไม่ว่าในพุทธศาสนานกายเซนนิกายโจโดสุขาวดีก็ดีนะครับหรือนิกายเทราวาสมาหายานเอ๋ของมาหาญาณหรือหินยาณบ้านเราก็ดีว่าโดยภาคปฏิบัติแล้ว เป็นอันยุติกันได้ครับว่าสติปัฏฐานในรูปหนึ่งรูปใดเนี่ยถูกชูขึ้นมาในหมู่ชาวพุทธเพราะว่าปราจากการหยิบติปัฏฐานมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะอุปาทานได้ครับทีนี้สติปัฏฐานถ้าเราประมวลย่นย่อเข้ามาให้เป็เหลือเป็นอันเดียวคือเราต้องการฝึกสติแต่ฝึกบนฐานทั้งสี่ซึ่งมันจะนําไปสู่ความเข้มข้นสําหรับบางคนนั้นมีวาสนาบารมีรำ ม, มา ตัวมันจเกิดก็มีนะครับเช่นสติเขาหนักนั่นอยู่แล้วเราต้องยอมรับความจริงนหนึ่งว่าคาคนนี่เขามีสิ่งไปร้อมที่ดีมากๆบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องอ้างถึงชาติก่อนก็ได้คนระับเช่นบังเอิญเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยลูกจะได้รับโดยง่ายได้คือสติเขาดีนะสตินั้นไม่ฟันเฟือนแต่ถ้าบางคนถ้เกิดมาในครอบครัวซึ่งมนวิบากกรรมของครอบครัวก็ได้นะฮะ พ่อกับแม่ทะเลาะกันแบ่งแยกกันลูกก็สับสนแต่ทั้งหมดไม่ว่าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เพื่อล้อมอยู่ถ้าเจอผู้รู้เข้านะครับคำว่าเจอผู้รู้ไม่ได้หมายเจอบุคคลเพื่อจะคลั่งคล้ายไหลลงแล้วผมเชือมันวผู้รู้เขาจะไม่ยอมให้ไหลหลงไปนันขา่าครูที่แท้จริงนั้นโยมหมุนพลังความยึดติดของสิทธิ์เข้าไปสํารวจตัวเองเท่านั้นให้เขาได้สํารวจตัวเขาเองเท่านั้น แต่วครูเท็ดเทียมนั้นชอบที่ให้สิทธิ์ยึดถือครับเพราะมันได้ประโยชน์แล้วก็ทําให้เกิดคลา่งคล้ายไหลหลงผิดเพี้ยนไปต่างๆนาครับที่จริงตีฐานเราเริ่มต้นง่ายๆก็ได้ครับเช่นจับความรู้สึกตัวสดๆนี่เป็นทั้งกายและเป็นพึงเวทนาผมคงไม่สามารถแจกรายละเอียดครบทั้งสีฐานนะครับแต่มีประโยคหนึ่งซึ่งชี้บ่งมากครับที่พีจ่จ้าวจัดว่า ทำทั้งหลายประชุมลงที่เวทนาสเพธมมาสโมสรน า, าเวทนาครับยกบาลีสำทับหน่อยเดี๋ยวจะหาผมว่าเ อ, าเองคือทาทั้งหมดที่เราเรียนเนี่ยที่เราคิดนึกอยู่ในสมองเป็นภาพโนนภาพนี้หัวข้อทํานั้นนะครับถ้าไม่ประมวลลงที่เวทนาแล้วเนี่ยพูดได้มันปฏิบัติไม่ได้ครับและส่วนใหญ่เราก็จึงปฏิบัติชั้นที่เป็นอุดมคติ แค่อุดมคติที่ต้องเมตตาต่อผู้อื่นเอาอุดมคติมาปฏิบัติแล้วอุดมคติมันมันอยู่ในอวัยวะครับบางทีเราก็เมตตาบางทีเราก็โมโหเราเมตตาเขาไม่ได้ดังใจเราก็ยัว่วเข้ามาอุดมติ เ, เราก็พังบ่อยที่สุดเพราะว่านั่นเป็นการปฏิบัติแบบยึดถืออุดมคติเอาอุดมคติมาปฏิบัติแต่ถ้าสตินั้นไม่เกี่ยวครับอุดมคติที่มีแล้วก็มีแล้วแต่ ติความรู้สึกตัวมันจะนำเข้าสู่สมดุลงธรรมชาติที่เราสัมผัสได้เฉพาะอะไร